ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังก ะ, ะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการตจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่สามิคารุกาปฏิวธตานะวินิชยกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของการออกจากครุกาบัต ต่อสำหรับผู้ที่อยู่ปริวาสครบวันตามที่กําหนดไว้แล้วสมควรในการที่จะขอมานัดเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรแก่มานัดมานัตตาระหะภิกษุเป็นภิกษุที่ควรแก่มานัดอาบัติที่ปิดไว้สิ้นวันเท่าใดเพื่อต้องการจะบรรเทาความรังเกียจพึงอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่านั้นหรือเกินกว่านั้นก็คือจะต้องอยู่ เกินเอาไว้อะดีเพราะว่าเกิดพระภิกษุเข้ามาในวัดแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวแล้วก็ออกไปเสีย้ยก็ไม่รู้เลยว่าพระภิกษุเข้ามาใวัดวันนั้นก็นับราตรีไม่ได้เรียกว่ารัติเฉตซึ่งรัติเฉตของผู้ที่อยู่ปริวาจะมีสามอย่างก็คืออยู่ร่วมอย่างหนึง่งอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันนอนร่วมกับพภิกษุที่เป็นปกติตรีรัติเฉตนับราตรีไม่ได้หรือว่าอยู่ปราศจากพระภิกษุไม่มีพระภิกอยู่ร่วมเลยวันนั้นในวัดนั้นอันนี้ก็ นับราตรีไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่บอกวัดไม่บอกวัดแต่พิกจุผู้พบเห็นผู้ที่พบเห็นผู้ที่มาเจอใหม่ไม่บอกก็เป็นรอบในเฉตเหมือนกันแต่ถ้าของพิกษุที่ประพฤติมานับจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ในคณะอันพร่องหมายถึงอยู่ร่วมกับพระพิจุไม่ถึงสี่รูปเรียกว่าประพฤติวัดพร่องไม่อยู่ร่วมกับพระพิจุครบสี่รูป เพระพึ่งในคณะอันตรองแต่ของพิสูจปฏิว่าีิอยู่ร่วมกับพิสูจนรูปเดียวก็ใช้ได้ละของมานัทนี่ต้องอยู่ร่วมกับพิสูจนสี่รูปขึ้นไปเมื่ออยู่ปฏิว่าียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็เข้าไปหาสงฆ์สมาทานวัดแล้วพึงขอมานัทด้วยการชนี้ก็เรียกว่าเป็นมานัทตารหะควรแก่มานัทละแต่ว่ายังไม่ได้ขอสงฆ์ยังไม่ได้ให้มานัท ยังไม่ได้สมาทานมานัตเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นมานัตตาจาริกะถ้าส่งให้มานัตแล้วสมาทานวัดแล้วบอกว you know? ัดเรียบร้อยอะสมาทานวัดแล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นมานัตตาจาริกะผู้ดับพิษมานัตละจริงอยู่พิกูุนี้จัดเป็นผู้ควรแก่มานัตต่อเมื่อเธอสมาทานวัดแล้วเท่านั้นเพราะความที่เธอเป็นผู้อยู่ปริวาแต่กิจที่จะต้องสมาทานวัดอีกย่อมไม่มี แต่พิจุผู้ไม่ได้เก็บวัดก็คือถ้าอยู่ปริวัตรครบตามที่ปิดไว้แล้วก็เรียกว่าเป็นมานัตตารหานะแลเป็นมานัตตารหะพิจุแต่ถ้าเก็บวัดเขาไม่เรียกว่าเป็นมานัตตารหะถ้าเก็บวัดแล้วต้องมาสมท า, านใหม่ก่อนที่จะขอมานัตนี้ต้องสมท า, านใหม่ก็เรียกว่าเป็นมานัตตารหะพิจูจึงอยู่พิกจุนั้นเป็นผู้ควรแก่มานัตด้วยล่วงวันที่ปิดไว้แล้วแท้ถึว่าอยู่ปริวาตรครบตามวันแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ ที่ควรจะมานัดละเพราะเหตุนั้นสงวรให้มานัดแก่เธอทีเดียวเมื่อจะให้มานัดนั้นพึงให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ว่าคําขอเอกาหปฏิชนะมานัดมานัดสำหรับภิกษุ ท, ที่อยู่ปริวาาขอปริว่าแล้วอยู่ปริวาาปกปิดวันหนึ่งแล้วนะคําขอก็กล่าวอย่างนี้ว่าอาหังพันเตสัมบบุล า, าปติโยปัชชิเอกาหปฏิชนะโย โสหัสังหัสัมบัหุลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานางเอกาหปริวาสังยาจิงตาสเมสังโขสัมบัณหุลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานางเอกาหปริวาสังอาดาศิโสหัง t ันเตปริวุฒาปริวาโสสังหัสัมบัหุลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานางชาระตัมานตังยาจามินี่ก็เป็นการขอครั้งแรก ส่วนการของขณ้ที่สองเขาความเหมือนกันต่างจนตอนท้ายก็เพิ่มคําว่าทุติยัมปิเข้าไปท่านนั้นเองก็คือโซหังปริวุฒาปริวาโซโดติยัมปีบันเตสังขังสัมบารุลานางอปตีนางเอกาหตติชั่นานางชาระตัมาณตังยาจามิทั้งทสามก็ใช้คําว่าตติยัมปิตอนท้ายว่า โซหังปริวุธาปริวาโซตาติยามปีพันเตสังขังสำปหุลานังอาป ต, ตินังเอกาหาตติชันานังชาตตังมานตังยาจามิขอสาครั้งอย่างนี้สงฆ์ก็จะให้มานับโดยพิสูุผู้ชราผู้สามารถท่านหนึ่งที่สามารถที่จะกล่าวกรรมวจา์ได้ถูกอักขละธานกรแล้วก็ควรจะต้องคูดที่จดจำได้ด้วย ตมวจาใหเอกาฮาปฏิชนะมานัตสุนาตุเมผันเตสังโฆายังอิทนาโมภิกโขสัมบหุลาอาปาติโยอาปาชิเอกาฮาปฏิชนะโยโสสั a ขังสัมบหุลานังอาปาตินัเอกาฮาปฏิชนนัเอกาฮปริวาสยาจิ สังโฆอิทัณนาม a สะบิ a คโนสัมบัหุลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานังเอกาหปริวาสังอาดัสิโสปริวุฒาปริวาโสสังขังสัมบัณหุลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานังชาระตังมานตังยาจติยดิสังขัสสะตะกัลลังสังโฆอิทนามาสะบิโคโนสัมบัหุลานังอาปาตินัง เอกาหาปฏิชันนานังชาระตังมานตังแดดเดียเอสายติอันนี้ก็เป็นการสวดประกาศท้งแรกเรียกว่ายติแล้วก็สวดอนุสาวนาอีกสามครั้งสามครั้งนี้ก็จะมีข้อความเหมือนกันต่างกันตรงที่ใช้คาว่าตุติยปีตติยปิเท่านั้นเองแล้วก็สรุปอนุสาวนาส่วนตรงนี้ว่าสุโลตเมผันเตสังโฆ อาอย่างอิทัณนามะภิกขะสัมบัณหุลาอาปาติโยอาปา p ิเอกาหะปปิชันายโสสังหังสัมบัหุลานังอปาตินังเอกาหะปปิชันานังเอกาหะปริวาสังยาจิสังโฆอิทนามาสัติคุโนสัมบัหุลานังอปาตินังเอกาหะปปิชันานังเอกาหะปริวาสังอาดัสิโสปริวุฒปริวาโ สั่งขังจัมบอาหุลานังอปาตินังเอกาหะปปิชนานังชารตังมาตังยาจติสั่งโคยท่านนามาสภิกุโนสัมบอาหุลานังอาปาตินังเอกหปปิช่นานังชารตังมาณตังเดติยาซาญาตสมโตขมาติท่านนามสภิกุโนสัมุานังอปตินังเอกหปิชนานั สาตระตังมาณาตตะดานังโสตุเฉวสะยาสานัคธรมติโสเพสยยะส่วนขั้นที่สองก็กล่าวคำเพิ่มเข้ามาตรงนี้ท่านเองว่าดุติยามปีเอตามาทังวดามิสุโนตุเมผันเตสังโฆข้ขอความต่อไปก็เหมือนกันหมดตัวนอนุสาวนากั้นทีสามก็เหมือนกันคือกล่าวข้อความเพิ่มเข้ามาตรงนี้ว่า ตัตติยมปีเอตามทังวดามิสุดมาตุเมพันเตสังโคความต่อไปก็เหมือนเดิมแล้วก็สรุปตอนท้ายก็คือดินนางสังเพนาะอิท น, นามาสะภิกุโนสัมบหุลานังอาปตินางเอกาหาปะปปิช น, นานางชาระตังมานาตังขมาติสังขสะตัสมาตุนฮีเอวะเมตัง หารยามิก็เป็นอันสรุปนะว่ามานับหกราตรีสำหรับพิกตุที่ปกปิดอาบัตเอาไว้หนึ่งวันต้องอาบัตหลายตัวนี้ที่ปกปิดไว้หนึ่งวันสงก็ได้ให้แก่พิกตุชื่อนี้เรียบร้อยแล้วนะนั้นชอบแก่สงเหตุน้ำจึงนิ่งทราเจ้าก็ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ในการจบกรรมวาจาที่ตุนน้นพึงสมทานวัดในโรงศรีมานั่นแหลว่ามานัตตังสมาธิยามิวัดตังสมาธิยามิก็แปลว่าท้าเจ้าขอสมาทานมานัตท้าเจ้าขอสมทานวัดครั้งสมทานแล้วพึงบอกแกโถงในโรงศีมานั่นแหลก็คือต้องบอกมานัและเพราะว่าเป็นมานตตาจาริกาเมื่อสมทานวัดแล้วก็ชื่อว่าเป็นมานตตาจาริกะมันก็ควรจะบอก บอกมานะัทเพราะว่าถ้าไม่บอกนี้ก็ขาดราตรีเป็นรัตเฉดคาบอกเอกาหะปติชนนามานัก็บอกอย่างนี้ว่าอะหังผันเตสัมบ่าวุลาอาป a ิโยอาปะชิงเอกาหะปติชนนายโยโซหังสังหังสัมบุ่ลนงอาปฏินังเอกาหะปติชนานางเอกาหะปริวาสาจริง ตาสเมสังโขสัมบัณหุลานังอาปาตินังเอกาหะปฏิชนานังเอกาหะปริวาสังอาดัโสหังปริวุธะปริวาโสสังหังสัมบัหุลานังอาปาตินังเอกาหะปฏิชนานังชาระตังมานะตังยาจิงตาสเมสังโขสัมบัณหุลานังอาปาตินังเอก p หะปฏิชนานังชาระตังมานะตังอาดสิ โซหังมานตจารามิเวเดยามหังพันเตเวเดยติติมังสังโคทารีตุก็และจะถือเอาใจความนี้บอกด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรก็คือจะเป็นภาษาอะไรก็ได้บอกเป็นภาษาไทยสาษาังกฤษภาษาราวภาษาเขมรก็ได้เช้งนั้นเลยผู้ฟังจะฟังรู้จะใช้ภาษาใดสำหรับการบอกมานับนี้ให้บอกครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นการขอมานัตขอปฏิวาจะนี้สามครั้ง ครั้นบอกแล้วถ้าประสงค์จะเก็บวัดพึงเก็บในท่ามกลางสงว่ามานัตตังมิขิปามิวัตตังมิขีปามิก็แป ล, ปลว่าข้าพเจ้าขอเก็บมานัตข้าพเจ้าขอเก็บวัดก็กลายเป็นปกตปปิตาพิสุไปอันนี้ก็ใช้สําหรับเมื่อเวลาที่ไปขอมานัตที่วัดอื่นแล้วจะเดินทางกลับวัดตนเองในระหว่างทางอาจจะเจอพระพิสุมากมายก็อาจจะชราระไม่หมดสิ th, ้นไม่หมดจดก็เก็บวัดเมื่อเก็บวัดกลายเป็นพิสุปกติตะไปแล้วปกติไปแล้ว ไม่ต้องบอกอใครใครนีก็เป็นวิธีการเมื่อกลับไปอยู่วัดของตนเองแล้วให้สมาทานวัดใหม่และกระพฤะ ร, ะริบนาปราตรีฐไปเมื่อพิจูดทั้งหลายออกจากโรสีมาไปเสร็จแล้วจะเก็บในสำนักของพิจูดรูปเดียวก็ควรออกจากโรสีมาไปแล้วกลับได้สติพึงเก็บในสำนักของพิจุผู้ไปด้วยกันถ้าเกิดไม่ได้เก็บตอนนั้นเลยพอสองสวดประกาศเสร็จปุ ก, ก็บอกมานะัดบอกมานัดเสร็จแล้วละจะกลับแล้วก็เก็บมานะัดแต่ถ้าลืมเก็บไม่ได้เก็บ เจอพิสุรูปใดหรือว่าพิสุใดไปด้วยกันเก็บกับพิสุรูปนั้นนั่นแหละเมื่อออกจากโรงสีมาแล้วถ้าพิสุแม้นั้นก็หลีกไปเสียไม่มีพิสุใดอยู่ร่วมเลยยังไม่ได้บอกแก่พิสุอื่นรูปใดที่ในโรงสีมาพึงบอกแก่พิสุ ร, รูปนั้นให้รู้แล้วก็เก็บวัดเถิดก็ตามไปอย่างที่อยู่ท่านแล้วก็บอกบอกเสร็จแล้วก็เก็บและเมื่อจะบอกพึงกล่าวว่าถ้าเป็นพิสุ ร, รูปเดียวก็ให้ว่าตอนต้นเนี่ย คือบอกมานับเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ตอนท้ายก็เปลี่ยนแค่ น, นั้นเองจากเวดิยตีติมังสังคโคทาเรตุก็เปลี่ยนว่าเวดิยะมะหังผนเตเวดิยติติมังอยตมะทาเรตุในเวลาจบตอนท้ายตอนต้นเหมือนกันหมดมีพิสู์รูปเดียวเมื่อจะบอกแก่พิสูรสองรูปก็พึงบอกอย่างนี้ว่าตอนท้ายก็เปลี่ยนอย่างนี้เป็น เวดิยามหังพันเตเวดิยะติติมังอายตมันตาทาเรนตุอันนี้เปการบอกกัลิสูตรสองรูปเมื่อบอกกัลปิสูตรสามรูปพึงบอกอย่างนี้ว่าเวดิยามหังพันเตเวดิยะติติมังอายะสมันโตาทาเรนตุ น, นี้ก็บอกกัลปิสูตรสามรูปต่จะกสี่รูปขึ้นไปก็เป็นสังโฆทาเปรตุ ตั้งแต่การที่เก็บวัดแล้วคงตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติต่างพิสูจก็คือพิสูุปกตินั่นเองถ้าวัดมีพิสูุน้อยพิสูจผู้เป็นสภาคะกันอยู่ไม่ต้องเก็บวัดคือนับราตรีในภายในวัดนั่นแหลก็ไม่ต้องเก็บวัดประพฤติมานัดเลยต้องไปนั่งท้ายมีข้อวัดแปดหมวดด้วยกัน้าหลายข้อนะถ้าไม่อาจให้หมดจดพึงเก็บวัดตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหล ในเวลาใกล้รุง่งพร้อมด้วยพิธุสีรูปหรือห้ารูปแวะออกจากทางใหญ่นั่งในที่กำ บ, บังด้วยพุ่มไม้หรือด้วยรัว้วให้เลยสองเลตุบาทจากเครื่องล้อมแห่งวัดที่มีเครื่องล้อมจากที่ควรแต่เครื่องล้อมแห่งวัดที่ไม่ได้ล้อมพึงสมทานวัดแล้วบอกตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลเฉพาะภายในอรุณเท่านั้นก็คือก่อนอรุณจะเคลื่อนประมาณตีสีหรือว่าตีสี่ครึ่งเนี่ยให้ออกไปตัดพิธุสีรูปหรือว่าห้ารูป ไห้เลยสองเลตุบาทไปจากรั้วร้อมวัดหรือว่าที่ที่ควรที่จะเป็นรั้วด้อมของวัดนั่นแหละของพระพิตุที่อยู่ปริวาสนี้ถ้าเก็ตวัดคือไม่สามารถประพฤติวัดให้ประิตรวมดจดในวัดได้ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าออกไปกับพระพิตุรูปเดียวก็ได้ของพิตรที่อยู่ปริวาสนี้ก็ออกไปกับพิตุรูปเดียวแล้วก็ไปสมาทานวัดแล้วก็บอกปริวาสรอกวัดนั้น พออรุณขึ้นก็เก็บเก็บแล้วก็เข้าวัดอ น, นัปราตรีได้ราตรีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพิสุที่ประพฤติมานับนี้เมื่อเก็บวัดแล้วเนี่ยนะพอออกไปกับพิสุสี่รูปหรือว่าห้ารูปเลยสองเลตุบาทไปแล้วพออรุณขึ้นก็สมาทานวัดพอสมาทานวัดเสร็จก็บอกก็บอกมานัดเมื่อบอกมานัดแล้วอรุณขึ้นแล้เก็บก็เก็บมานัดก็กลายเป็นพิกษุกตตะนับราตรีได้อีกราตรีหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็น ความประพฤติสําหรับวัดที่อยู่แล้วไม่สามารถที่จะประพฤติมานับได้อย่างหมดจดถ้าทีู่จนอื่นบางรูปมานับที่นั้นด้วยจิตจําเป็นเฉพาะบางอย่างคือเกิดมีพระสุขเข้ามาในที่นั้นเนี่ยนะถ้ามานับตาจาริกาพิสูจน์นั้นเห็นพิสูจนั้นหรือได้ยินเสียงของเธอควรบอกคือต้องบอกเมื่อไม่บอกเป็นรับต่เฉดคือนับราตรีไม่ได้ทั้งเป็นวัฏเพศด้วยต้อบัตรทุกกฎด้วยนะวัตเพศนี้ ถ้าพิจนั้นล้ําอุปจาระเข้าไปสิบสองตอกแล้วคือประมาณหกเมตรไปเสียแต่เมื่อมนต์ตาจาริกะพิจูยังไม่ทันรู้เพราะว่ามันมืดพ อ, อไปตีสีหรือตีสี่ครึ่งหนึ่งก็ยังมืดอยู่เกิดพระพิจูเดินดุ่มๆมาในที่นั้นสิบสองตอกแล้วก็ไปที่อื่นเลยไม่รู้ก็มีเพียงรัติเฉดเท่านั้นส่วนวัตถะเภศไม่มีก็ไม่ต้องอบัตทุกข์เพราะว่าไม่มีความตั้งใจในการที่จะไม่บอกเพียงแต่ว่าไม่รู้เท่านั้น ก็แลตั้งแต่การที่บอกแล้วมีพิกจุทั้งหลายเว้นพิจุไว้รูปหนึ่งที่เหลือจะไปเสียในเมื่อมีกิจจําเป็นก็ควรคือการประพฤติในคณะอันท่องเนี่ยหมายถึงว่าต้องอยู่กับพิจุสี่รูปขึ้นไปจึงเรียกว่าประพฤติในคณะอันไม่ท่องเพราต้องประพฤติในสงต้องอยู่กับสงผู้ที่ประพฤติมานัณนี้แต่ว่าเมื่อพิจุสี่รูปนั้น ไปด้วยกันแล้วบอกเรียบร้อยบอกมา น, นัทแล้วสามรูปนั้นจะไปไหนก็ได้หรือพิสุไว้รูปหนึ่งเพื่อให้อารณุณขึ้นแล้วก็จะได้เก็บวัดครั้นอรณุณขึ้นแล้วพึงเก็ดวัดในสำนักของพิสุนั้นถ้าพิสุแม้นั้นไปเสียก่อนอรณุณด้วยกรรมบางอย่างมานัตตาจาริกาพิสุเห็นพิสุใดก่อนจะเป็นพิสุอื่นซึ่งออกจากวัดไปก็ตามเป็นอาการตุกตาก็ตาม เพิ่งบอกแล้วเก็บวัดในสำนักของพิกจุนั้นเกิดไปกับพิจูสีรูปห้ารูปท่านก็ไปไหนหมดเลยท่านก็มีธุระด่วหนหูท่านไปไหนหมดเลยพิจุที่ประกุมานัดนี้ยังไม่ทันเก็บเลยเจอพิกจุรูปใดก่อนให้บอกมานัด ก, กับพิกจุน้ำแล้วค่อยเก็บก็มนต์ตาจาริกะพิจุนี้เพราะบอกแก่คณะแล้วกําหนดความที่พิจูหลายรูปอยู่ด้วยคือบอกแกคณะแล้วเนี่ยสี่รูปหรือห้ารูปขึ้นไป ฉะนั้นโทษเพราะประพฤติในคณะอันคล่องหรือโทษเพราะอยู่ปราดจึงไม่มีแก่เธอเป็นองค์ของรัติเฉดทั้งสองคือประพฤติในคณะที่มีพิกษุไม่ครบสี่รูปและอยู่ปราดจากพิสูจนสี่รูปของพิกษุที่อยู่ปริวาสมีรัติเฉดสามเท่านั้นก็คืออยู่ร่วมในชายคาเดียวกันแับภิกษุปก ต, ต, ติแตะในอดุลขึ้นมาเนี่ก็รัติเฉดอยู่ปราดภิสูจรูปใดรูปหนึ่ง ที่จะอยู่ด้วยไม่มีเลยอันนี้ก็ราติเชตแล้วก็อยู่ร่วมอยู่ปราดแล้วก็ไม่บอกก็คือเจอพิกจุที่ยังไม่ได้บอกปริวานแล้วไม่บอกอันนี้ก็ราติเชตเหมือนกันแต่ว่าของพิจุมานัตตะจาริกะนี้สี่ข้อเพิ่มใหม่ข้อหนึ่งก็คืออยู่ร่วมก็หมายถึงว่าอยู่ในชายคาเดียวกันที่หมูงที่ตังเดียวกันกับทิกสุ ป, ปกติแล้วก็อยู่ปราดหมายถึงว่าอยู่ปราจารพระพิจุสี่รูปขึ้นไป หรือตั้งแต่สี่รูปเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมในวันนั้นในวัดนั้นแล้วก็ไม่บอกไม่บอกหมาถึงโจอพิกูตรรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ไม่บอกว่าตนเองประพฤติมานัดอยู่ก็รัติเฉดมือกันแล้วก็อยู่าการจ่าหรือว่าประพฤติวัดในคณะอันท่องเนี่ยหมายถึงไม่มีพิสูตรสี่รูปอยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็รัติเฉดเมื่อไม่เห็นใครใครแม้ไปวัดแล้วหเห็นพิสูตรูปใดก่อนเพิงบอกแกพิกูุนั้นแล้วเก็บวัดเถิด นี่เป็นการบริหารของพิกจุผู้เก็บพัดเป็นวิธีการประพฤติเพื่อจะชำระให้หมดจดพิกจุนั้นคณะประพฤติมานับหราตรีไม่ขาดอย่างนั้นแล้วพึงขออับพานในที่มีพิกจุสง์เป็นคณะยี่สิตรูปและพิกจุทั้งหลายรูปจากอับพานพึงทําให้เธอเป็นผู้ควรแก่อับพานก่อน ก็คือจะต้องให้พิกสุผู้ที่จะขออภารเป็นอภ า, านาระหะอภ า, านาระหะหมาถึงพิสุผู้ควรแก่อภารเพราะว่าในเมื่อเก็บวัดไปแล้วก็กลายเป็นปกตตาพิสุไปแล้วเมื่อเป็นปกตตาพิสุจะมาสวดมาขออภารแล้วก็สวดให้อภารอันนี้ไม่ได้มีเรียกว่าทํากรรมผิดวัตถุเป็นวัตถุวิบัติเพราะว่ายังเป็นปกตตะอยู่และไปทากรรมให้อภ า, า น, นี้ไม่ได้ นี้เป็นวัตถุวิบัติเรื่องของสังกรรมจะต้องมีสมบัติห้าวิบัติห้าเอวิบัติก็ใช้ไม่ได้สมบัติก็ใช้ได้วัตถุวิบัติสมัยถึงบุคคลผู้ทํากรรมอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรเช่นไปให้ปริวาสกต่ทิกถูบริสุทธิ์หรือว่าให้มานัดแก่ทิกถูกผู้ขอปริวาให้อภัยพพแต่ทิกถูกผู้ขอมานัดบวชบุคคลที่อายุไม่ครบยี่สิบหรือว่าทําอุโบสถในวันที่ไม่ใช่อุโบสถอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุวิบัติหมดเป็นวัตถุวิบัติ แล้วก็ยังจะมีสีมาวิบัติก็คือสีมาที่วิบัตโดยอาจารย์สิบเอ็ดอย่างใหญ่เกินไปเล็กเกินไปสีมาไม่มีนิมิตนิมิตขาดมีเงาเป็นนิมิตพวกนี้ก็เป็นสีมาวิบัติแล้วก็ยติวิบัติก็หมายถึงว่าไม่ได้กล่าวเวลาสวดยติไม่ได้กล่าวออกชื่อสงไม่ได้กล่าวชื่อบุคคลอันนี้ก็วิบัติหรือว่าอนุสาวนาวิบัติก็สวดอัครานกรไม่ถูกต้องไม่กล่าวชื่อสงชื่อบุคคลต่างๆ ลูสาวนาก็วิบัติด้วยแล้วก็บริษัทวิบัติสมัยถึงว่ามีพิกิตรที่เข้ากรรมไม่ครบเช่นทางอุโบสถ ต, ต้องสี่รูปขึ้นไปสามรูปมาทางอุโบสถอันนี้ก็วิบัติโดยบริษัทหรือว่าบวชในปัจจันตชนบทต้องห้ารูปกับพระวิเนทอนอันนี้ก็ไม่ครบห้ารูปกระชว่ยบริษัทวิบัติหรือว่าในมัชิมะประเทศต้องพิจิตรสิบรูปขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ครบหรือว่าอภารต้องยี่สิบรูปขึ้นไปถ้าขาดรูปใดรูปหนึ่ง เป็นบริษัทวิบัติกรรมนั้นก็เสียใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องให้พิกษุนี้เป็นอัภานาระหะว่าทําให้เป็นผู้ที่ควรแก่อภานจึงอยู่พิกษุนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติเพราะความที่เธอเก็บวัดเมื่อเก็บวัดก็กลายเป็นพิกษุปกติไปแม้จกทําอภานแต่พิกษุผู้เป็นปกติย่อมไม่ควรเพราะฉะนั้นพึงให้เธอสมาทานวัด เธอย่อมเป็นผู้ควรแก่อัิธานในเมื่อสมาทานวัดแล้วแม้เธอพึงสมาทานวัดแล้วก็บอกเมื่อสมาทานวัดเสร็จก็ต้องบอกมานัทอีกครั้งหนึง่งบอกมานัทเรียบร้อยแล้วขออภพธานกิจที่จะต้องสมาทานวัดอีกย่อมไม่มีแก่ติสุผู้ไม่ได้เก็ตวัดก็คือประพฤติมานัทอยู่ในวัดนั้นเรียบร้อยแล้วหกราตรีขึ้นไปแล้วเผื่อไว้สักแปดราตรีหรือว่าสิบราตรีเผื่อว่า พระภิกษุเข้ามาในวัดโดยที่ไม่รู้ตัวนับราตรีไม่ได้เดยวผื่อวันหลังเกิดเข้ามาทรงข่าวาะว่าวันนั้นผมเข้ามาในวัดนะครับมาทุระอย่างนั้นอย่างนั้นผมมาเอาของแล้วออกจากวัดไปเลยไม่ได้บอกใครเกิดมารู้ที่หลังว่าอ้าวเราอยู่มานัดแค่หกราตรีเท่านั้นพระภิกุนี้เข้ามาในวัดคืนนั้นเราก็นับราตรีไม่ได้แคห้าราตรีแสดงว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อขออภัยแล้วส่งให้อภัยไปแล้วไม่บริสุทธิ์เพราะว่าประพฤติมานัด คล้องไปไม่ครบหกราตรีงั้นควรจะอยู่สักแปดราตรีหรือว่าสิบราตรีจริงอยู่พิสูุผู้มิได้เก็ตวัดนั้นเป็นผู้ควรแกอ้อภารโดยร่วงหกราตรีเท่านั้นก็คือร่วงหกราตรีถ้านับราตรีได้ถูกต้องบริบูรณ์แล้วกลายเป็นผู้ควรจะอ้อภารเรียกว่าอภานาระหะแต่ว่าถ้าเก็บวัดแล้วเป็นปกติแต่เวลาที่จะมาคออภารต้องสมท า, านวัดสมาทานมานับ แล้วก็บอกมานะับอีกครั้งหนึ่งจึงขออพทานเพราะฉะนั้นเธออันสงควรอภพานเมื่อจะอพทานเพิงให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ขออภพานอีกอภทานก็ว่าสามครั้งเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างตรงที่ว่ า, าใครสองก็มีทุติยัมปีกใครสามก็มีตาติยมปิเท่านั้นก็จะกล่าวให้ฟังบทเดียวเท่านั้นอะหังพันเตสัมปะหุลาอาปติโยอาปัชินเอกาฮาปตชิชนนายโย โสหังสัง s ังสัมบัคขุลานางอาปาตินังเอกาหะปฏิชนนานางเอกาหะปริว n สังยาจิงตัสลาสังโฆสัมบัุลานางอปตินังเอกาหปฏิชนนานางเอกาหะปรวาสังอดานสิโสหังวุฒาปริวโสสังถังสัมบัุลานางอปตินังเอกาหปฏิชนนานางชาระังมานาตังยาจิง ตาเมตังโขสัมปะหูลานังอปาตินังเอกาหะปติชนานังชาระตังมานตังอดาเตโซห้งจินนามานโตสังังอภานังยาจามิทสองก็เหมือนกันต่างตรงท้ายก็คือว่าโซหังจินนมานโต้ดุติยปิผันเตสังขังอภานังยาจามิการีสามตอนท้ายก็ว่าอย่างนี้ว่า โซหังจิน น, มนามาโตปัตติยมปิดผันเตสังฆะภานังยาจามิเมื่อขอสามครั้งแล้วสงฆ์ก็จะให้อัดทานจะทําให้เป็นที่สุบริสุทธิ์ละภิกษุผู้ชราผู้สามารถก็สวดประกาศอย่างนี้ว่าสุโมโตเมผันเตสังโฆอยังอิทั น, นามโมภิกขะ สับัณหาอาปาติโยอาปาชิเอกาหะปปิชนนยโสสังขังสัมบัณหา낭อาปาติ낭เอกาหะปปิชนนันังเอกาหปริวาสังยาเจสังโฆอิทัณนามาสังพิโกโนสัมบัณหา낭อาปาติ낭เอกาหะปปิชนนนังเอกาหปริวาสังอาดัสิโสปริวุฒาปริวาโส สังขังสัมบัณรานังอาป n ตีนังเอกาหปาติชนนานังชาตตังมานะตังยาเจสังโฆอิทัณนามาสันทิคุโนสัม a ัณรานังอปาตนังเอกหปติชนานังชาตตังมานะตังอาดานติโซจินมะมานโตสังขังอภานังยาจติยดิสังสะตะัลังสังโฆอิทันามังภิกุณอภยยะ เอซาญาติอันนี้ก็เป็ น, นสวนประกาศให้รู้เรียกว่ายติอนุนสาวนาก็สวดอย่างนี้ว่าสุโมตมิพันเตสังโฆ อ, อยัอิทนาโมภิกขสัมบ่าลาอาปาิโยอาปาชิเอกาาปิช น, นายโยโสสังขังสัมบ่ลานังอาปาตินังเอกาฮาปติช น, นานังเอกาฮปริวตังยาเจ สังโฆท o านนามาสาวิกุโนสัมบัณหานังอาปาตินังเอกาหะปติชนนานังเอกะปริวาสังอดัสิโสปริวัติปริวาโสสังขังสัมบัณหานังอาปาตินังเอกาหะปติชนนานังชาตตังมานาตังยาจิสังโฆท่านามาสาวิกุโนสัมบัณหานังอาปาตินังเอกาหะปติชนนานังชาตตังมานาตังอาดิ โซจินมามาโตสังขังอภานังยาจติสางโหยท่านนามภิกขุนอภเทติยาสายาสมโตธมติท่า น, นามตาภิกุโนอภานังโซตุลนส า, าสยสนัมติโซเพสิยอันที่สองอัสามก็ว่าเหมือนกันเพียงแต่ต่างตอนเริ่มต้นว่าดุติยามปิเอตมทงวดามิ m ุนาตมีผันเตสังโฆคา น, นี่สามก็เหมือนกันตายมปเอตมทังวดามีสุนาโตมีันเตสังโฆก็ความอื่นก็เหมือนกันหมดตอนท้ายก็สรุปว่าอภิโตสังเทนนิทันนาโนภิโคธมติสังขสะตัสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิ อันนี้ก็เป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นที่สุที่ต้องอาบัตสังกัดิเศตปกปิดเอาไว้เมื่ออยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้วขอมานัพประทฤตมานัพแล้วควรจะอัพพานเมื่อขออัพพานนั้นสองก็ให้อัพพานก็กลายเป็นที่สุบริสุทธิ์พึงทราบปฏิชนะปริวาสเพื่ออาบัตที่ปกปิดหนึ่งวันการให้มานัพและการอัพานจะเพียงเท่านี้พึ่งกระทํากรรมวาจาที่สมควรแก่อับัตนั้น ในบรรดาอาบัติที่ปกปิดไว้สองวันเป็นต้นตามในที่กล่าวแล้วนี้แหละถ้าสองวันสาวันก็จะต้องแต่งกรรมวาจาให้ถูกต้องถ้าเกิดปกปิดเอาไว้มากแต่ไปแต่งกรรมวาจาให้อยู่น้อยอันนี้ก็ไม่เป็นอันออกเรียกว่าไม่ออ ก, ไ ม, ออกไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดปกปิดเอาไว้น้อยปกปิดไว้วันเดียวสองวันแต่ว่าไปแต่งก ร, รมวาจาห้าวันสิบวันอันนี้ก็ชื่อว่าออกได้บริสุทธิ์ได้ แต่ถ้าอาบัตนั้นไม่ได้ปกปิดไว้เนี่ยก็ไม่ต้องให้ปริวาให้มานัทเท่านั้นแล้วก็อับพานติสุที่ประพฤติมานัทแล้วถามว่าทําอย่างไรเมื่อจะให้มานัทก็พึงให้เธอขอก่อนสามครั้งถ้าไม่ขอก็ไม่ให้จะไปให้กับผู้ที่ไม่ขอนี่ไม่ได้ถามว่าก็เอาไว้พรุ่งนี้กติกันวันนี้หมดเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระสัทธ ร, รมวินยัยตั้งใจในการที่จะประพฤติอบรมตนให้บริตธิ์ เพื่อความหมดจดเพื่อบรรลุอริยสัจธรรมเพราะว่าศีลไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถอบรมเจริญสมถะวิปัสสนาไม่สามารถที่จะบรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ขอให้ท่านตัดสู้อริยสตรีบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลโดยการไม่เนืนช้าด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ